จึงได้ให้มีวันหยุดหนึ่งวันเพื่อญาติโยมจะได้มีโอกาสมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างผุสม์เพราะการได้สร้างบุญสร้างผุสมนนี้เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเราทุกคน เพบุญกุศลนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมานับจํานวนไม่ทั่วและ จะไม่มีวันสิ้นสุดไปตราดใดที่เราไม่ได้มาพบกับพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพบกับพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าที่จะสอนที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความหุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายความหมลุดพ้นจากความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าเรามีศรัทธาเราก็จะมีโอกาสได้หดลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่พระอริยสงสาวกทั้งหลายได้มีศรัทธา แล้วได้น้อมนำเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่างเข่งขัดจนได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีเป็นจำนวนมากมาย <c oughs> เพราะเริ่มต้นด้วยที่ศรัทธาความเชื่อนี้เองคือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้า ในการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและในการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ตามพระพุทธเจ้าถ้าเรามีศรัทธาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้สักวันหนึ่งได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอน เราจึงควรที่จะปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอด้วยการนำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคกุณอย่างที่พวกเราสวดมนต์ไหว้พระการเป็นประจำเราจะเลิญบทพระพุทธคุณ พระธรรมกุลพระสังกุลเช่นเอตีปิโสภักวาอารหาังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนี่เป็นการรำลึกถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อเราจะได้มีความมั่นใจมีความในความเชื่อของเรา ถ้าเราไม่เจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเราก็จะห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วความเชื่อความศรัทธาของพวกเราก็จะอ่อนลงไปตามลาดับแล ะ, ะอาจจะหมดไปได้อาจจะเห็นกลับตามประปะัดกลับไปเห็นสิ่งที่มีจริงว่าไม่มีจริงก็ได้ เช่นไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศพระธรรมคาสอนอันประเสริฐไม่เชื่อว่ามีผู้มีจิตศรัทธาที่เชื่อในพระธ ร, รรมคาสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเมื่อเราไม่มีความเชื่อแล้วเราก็จะไม่สนใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าและผลที่เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ก็เป็นสิ่งที่ มองไม่ได้ด้วยตาเปล่าแต่ต้องมองด้วยใจเพราะผลของการสร้างบุญสร้างผุปสงคที่แท้จริงนี้เกิดขึ้นที่ในใจของแต่ละคนไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกเช่นการเจริญลาบยศเสริญสุขทางตาหูจมูกทิ้นกาย การเจริญด้วยร่างยุทธรสอนสุดทางกายทางสาหูทางจมุนิ้นกายนี้เราสามารถสร้างได้ด้วยการไม่ต้องสร้างบุญสร้างกุศลก็ได้เราทําบาปเราก็เจริญได้เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเจพิราญเ่าเราก็ยัง จเจริญในราบยศสารเสริญจุดได้แต่ส่วนที่เราเสื่อมลงไปนี้เรากลับมองไม่เห็นกันนั่นก็คือจิตใจของเราถ้าเราทำบาปแล้วจิตใจของเราก็จะเสื่อมลงไปความสุขที่มีอยู่ในใจก็จะมีน้อยลงไปความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไป และฐานะของใจของเราก็จะเสื่อมลงไปจกเป็นการเป็นมนุษย์ก็จะเสื่อมลงไปเป็นแปรเป็นเดรัจาเป็นนรกไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่เคยหันมาดูที่ใจของเราเราไม่รู้จากวิธีวัดใจของเราว่า ใจของเราตอนนี้เป็นอะไรกันแน่เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นนรกนั่นเพราะว่าเราไม่มีปัญญาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของใจของเรานั่นเองมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวก ทั้งหลายเท่านั้นที่จะรู้จากธรรมชาติของใจของเราได้รู้ว่าใจของเราขณะนี้เป็นอย่างไรเราจึงต้องมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนและในพระอริยสงสารผู้ทาหน้าที่สั่งสอนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า แทนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าของเราได้จากพวกเราไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้วแต่เรายังมีผู้ที่สามารถที่จะสั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าได้และเรามีพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนกับาศาสดาแทนพระพุทธเจ้า เราจึงต้องปลูกฝังความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนและในพระอาริยสงสาวกเพื่อที่เราจะได้มีฉันทะคือความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาเราจะมีวิริยะความภาคเพียง ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเราจะมีจิตตะคือใจที่จดจอ่ออยู่กับการศึกษาและการปฏิบัติเราจะมีวิมังสาคือมีใจที่คิดคุ้นคิดคำหนึ่งไต่ตรองเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ถ้าเรามีคุณสมบัติทั้งสี่ประการคือฉันทะวิริยจิตตะมิมังสาแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้รับผลของการศึกษาและการปฏิบัติคือการหยุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า และพระอราหาัรตสาวะอย่างแน่นอนโดยเรื่งต้นที่เรามาเจริญมาศึกษาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระพุทธคุณที่สำคัญก็คืออาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าอาหารหันตก็แปลว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองคือมีอยู่เพียงคนเดียวในแต่ละพุทธสมัยพุทธกาลไม่มีคนอื่นที่จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองอะไรคือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือผู้ที่สิ้นกิเลส เป็นผู้ที่สามารถเอาชนะความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของตนได้จนไม่มีความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่ภายในใจเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะไม่มีความทุก เพราะความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความโลภความปวดความหลงนี้เองและใจก็จะไม่มีทบกชาติใหม่จะไม่ไปเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะผู้ที่จะทำให้ใจไปเกิดใหม่ก็คือความโลภความปวดความหลงนี้เองนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของพระพุทธเจ้าก็คือทรงเป็นพระอรหันต เป็นผู้สิ้นกิเลสและเป็นผู้สิ้นกิเลสได้ด้วยตนเองการที่จะมีคนมาปฏิบัติและสิ้นกิเลสได้ด้วยตนเองนี้เป็นสิ่งที่ยากเย็นอย่างมากนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักหมื่นครั้งเป็นเวลาเป็นกับคำว่ากับนี้เป็นเวลาที่เราไม่สามารถนับได้ด้วยจำนวน ที่พวกเรารู้กันเช่นล้านล้านปีล้านล้านปีนี้ก็ยังไม่ถือว่านานเท่ากับหนึ่งกับดังนั้นการที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระพุทธเจ้าคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนและพระอริยสงสาวอค์จึงเป็นเรื่องของบุญวาสนา เป็นเรื่องของโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายเราจึงควรที่จะมีความรู้สึกโชคดีและควรจะตักตวงโอกาสโชคดีอันนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้พบกับพ่พุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีโอกาส ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เลยเราจะไม่มีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วโอกาสที่แสนยากนี้ก็กลับกลายเป็นโอกาสที่แสนง่ายไปเราจะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันอย่างง่ายดาย เพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้แล้วแล้วนำเอาเพราะธรรมคำสอนมาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกก็ปรากฏมีผู้มีจิตศรัทธาน้อมเอาไปปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนเพราะการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏก็จะไม่มีใครที่จะสามารถปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรู้พระพุทธเจ้าก็พยายามศึกษากับอาจารย์หลายรูปด้วยกันแต่ก็ไม่มีอาจารย์รูปใดที่จะสามารถสอนพระพุทธเจ้าให้บรรลุปเป็นพระอารหันต์ได้ พระพุทธเจ้าจึงต้องพึ่งตนเองด้วยพระบารมีอันแก่กล้าที่ได้นำบำเพ็ญมาเป็นกับเป็นกันนี่เองที่ทำให้พระพุทธเจ้าสามารถตัดสร้รคได้ด้วยตนเองแต่สัตว์โลกอื่นนั้นจะไม่มีโอกาสเลยเพราะไม่ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างโชคชน เหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นเองแต่มีบา ร, รมีพอที่จะสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้จึงปรากฏมีพระอาหารหันตาสาวกตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นจนํานวนมากแต่ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้และมาเผยแผ่พระธรรมคําสอนก่อน นี่คือความวิเศษของพอพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายผู้ใดได้มาเกิดและได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้มีจิตศรัทธาน้องเอาเพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ mm. ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดไม่เสียโอกาสอันดี แต่ถ้ามาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาและได้มาเป็นมนุษย์แต่ไม่สนใจที่จะปฏิบัติก็จะถือว่าเป็นการเสียชาติกิดเป็นการเสียโอกาสอันดีซึ่งจะไม่ค่อยเกิดขึ้นได้บ่อยนักโอกาสต่อไปที่จะได้มีพระพุทธศาสนามาปรากฏอีก หลังจากที่พระพุทธศาสนานี้ได้เสื่อมบทไปแล้วก็จะเป็นเวลาเป็นกลับเป็นการด้วยกันนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าและเรื่องของเราที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องมีความยินดีที่เราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และรีบตักตัว โอกาสอันดีนี้เพราะเวลาไม่คอยใครชีวิตของเรานี้ไม่มีใครรู้ว่าจะหมดไปเมื่อไรถ้าเราไม่รีบตักตวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราก็จะเสียโอกาสไปส่วนคุณธรรมคุณคุณสมบัติข้อที่สองก็คือพระธรรมคุณคือสมบัติพระธรรม คุณสมบัติของพระธรรมที่เราสวดกันว่าสวากาโตพระกวตาธรรมโมเป็นต้นนี้ก็แปลว่าพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ตรงต่อความจริงไม่ได้เป็นคำสอนที่ไม่มีความจริงรับรองเอาไว้พูดคำไหนก็เป็นคำนั้น พูดว่าจิตของพวกเรานี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าไม่ชำระให้สะอาดบริสุทถ้าไม่กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจใจก็จะต้องไปเกิดใหม่ไปรับกรรมรับบุญตามบุญตามกรรมที่ได้กระทมเอาไว้ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตาย ไปพัดพรากจากสิ่งต่างๆอย่างนับไม่ถ้วนไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถึงจะได้หลุดพ้นจากการเวงว่ายตายเกิดได้นี่เป็นความจริงเพราะ <c oughs> มีพระอริยสงสารโก ทั้งหลายเป็นผู้รับประกันความจริง น, นี้แล้วท่านเชื่อในความจริงในคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงว่าสามารถพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าสอนให้ชาระกิเลสท่านก็สามารถชาระได้ผลที่เกิดจากการได้ชาระกิเลสท่านก็ได้สัมผัสแล้วว่า ใจของท่านนั้นสิ้นแล้วในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นแล้วในเรื่องของความทุกข์ทั้งหลายนี่คือคุณธรรมพระธรรมบุญ ค, คุณสมบัติของพระธรรมคาสอนเป็นความจริงและเป็นอากาลิโกอาการลิโกก็แปลว่าไม่มีวันเสือ่อมไปตามการตามเวลา สิ่งต่างๆในโลกนี้มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นอาหารยารักษาโรคนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไปเก็บได้ไม่นานก็ต้องบูดต้องเนา่าต้องเสียใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่พระธรรมคำสอนของพระเจ้านี้เก็บไว้ได้ตลอดเวลา ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดอายุสามารถทำหน้าที่ชำระจิตใจของสัตว์โลกให้สะอาดบริสุทธิ์ได้สามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกนี้ให้หมดสิ้นไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดในสมัยพระพุทธเจ้าก็ทำหน้าที่ ฆ่ากิเลสชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้สมัยปัจจุบันนี้สมัยของพวกเรานี้ก็สามารถฆ่ากิเลสชำระใจของพวกเราให้สะอาดได้ไม่มีความแตกต่างกันจะแตกต่างกันก็คือว่าเราจะเชื่อหรือไม่และเราจะมีอิทธิบาที คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรามีเราก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสวากขาโตภะวะตาธรรมโมหรืออากาลิโกนี้เป็นความจริงอย่างแน่นอนนี่คือคุณธรรมธรรมคุณของ ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราควรที่จะไต่ตรองอยู่เรื่อยๆแล้วปลูกฝังความเชื่อของเราให้มีมากขึ้นไปตามลำดับ<ม>เพื่อที่เราจะได้มีอิทธิบาสีคือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะปฏิบัติตามนะส่วนพระสังมคุณนี้ ก็มีอยู่สประการด้วยกันคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือคุณสมบัติของพระอริยสงสาวกผู้ที่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าจนกิเลสที่มีอยู่ในใจนั้น ถูกทำลายหมดสิ้นไปทำลายพพชาติทำพายวัฏจักรไม่ให้มีหลงเหลืออยู่ในใจได้ต้องอยู่ที่การปฏิบัติสี่ประการสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนก็คือการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ สามีจิตปฏิปันโนก็คือการปฏิบัติชอบถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ครบทั้งสี่ประการนี้แล้วรับรองได้ว่ามรรผลนิพพานหรืออริยมรรคผลขั้นต่างๆเช่นท่านพระโสดาบันท่านพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอระหันต์ก็จะ ไม่หลุดพ้นจากเงื้อมือของเราไปได้ขึ้นอยู่กับสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนนี้เท่านั้นสุปฏิปันโนก็คือการปฏิบัติดีการปฏิบัติดีก็คือการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นเองไม่บกพร่องไม่ย่อยหยอ่อนต่อพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ทก็ต้องทานก็ต้องทำอย่างเต็มที่ศีลก็ต้องรักษาอย่างเต็มที่ภาวนาก็ต้องภาวนายอย่างเต็มที่ถึงจะเรียกว่าเป็นสุปติปันโนถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนก็คือทำข้อสอบได้ครบทุกข้อไม่มีผิดแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งทำคะแนนได้ร้อยเปรเซ็เรียกว่าสุปติปันโน ปฏิบัติดีส่วนอุชุปฏิปโนก็คือการปฏิบัติตรงต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่ไม่แวบออกไปจากพระธรรมคําสอนสิ่งใดที่ไม่ใช่เป็นพระธรรมคาสอนจะไม่ปฏิบัติจะปฏิบัติแต่พระธรรมคาสอนอย่างเดียวเช่นพพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อใน ในหลักกรรมในเชื่อกฎของกรรมเชื่อว่าการที่เราจะเจริญจะเสื่อมจะสุขหรือจะทุกนี้อยู่ที่การกระทาของเราคือการกระทำทางกาวาจาละทางใจนี้เท่านั้นไม่มีใครทำให้เราเจริญหรือทำให้เราเสื่อมได้หลังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบูชาเทพบูชาพร หรือบูชาอะไรทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้เขามาช่วยให้เราดีขึ้นเป็นไปไม่ได้เราจะดีเราจะชั่วนั้นอยู่ที่ตัวของเราเองจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือการปฏิบัติตรงต่อพัฒรรมวียัยคือ จะไม่เชื่ออย่างอื่นจะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของผู้อื่นจะต้ปฏิบัติแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องไปหาหมอดูให้เขาบอกเราว่าเราต้องทำอะไรไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไม่ต้องจับบ้านใหม่ไม่ต้องทุกหน้าตามเปลี่ยนประตูใหม่หันหน้าบ้านไปทิศบ่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า และไม่ใช่เป็นเหตุที่จะพาให้เราสุขหรือทุกข์ให้เราเจริญหรือเสือ่อมการเจริญหรือเสื่อมของเราอยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติตรงตามพระธรรมคำสอนหรือไม่พระพุทธเจ้าสอนให้เราให้ทานรักษาศีลให้เราภาวนาเราปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติรับรองได้ว่าเราจะเจริญเราจะมีแต่ความสุขอย่างเดียว นี่คืออุชุปฏิปันโนให้ปฏิบัติตรงตอบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวส่วนยายาปฏิปันโนนี่ก็คือให้เราปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ให้เราปฏิบัติเพื่อล่ำให้รวยใจอย่างใดบางคนนั่งสมาธิแล้วเกิดมีตาในสามารถทำนายทายทัก ก็เลยยึดอาชีพเป็นหมอดูไปแทนที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็มาติดกับลาบยศที่จะได้จากการเป็นหมอดูทํานายถ่ายทักอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ปฏิบัติเพื่อลาบยศเสริเสริญสุขไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ญายณถ้าญาณ ปฏิปปโนแล้วไม่ได้แล็งอยู่ที่ลาบยศเสริษสุดไม่สนใจว่าใครจะนับถือหรือไม่นับถือใครจะให้เงินให้ทองหรือไม่ให้เงินให้ทองไม่สําคัญสําคัญที่ว่าปฏิบัติไปแล้วความทุกข์ภายในใจนี้น้อยลงไปตามลําดับและหมดสิ้นไปในที่สุดนี่คือยายะปฏิปปโน ปฏิบัติเพื่อกลางหยุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนสามีจิปฏิปโนก็คือปฏิบัติชอบ <c oughs> ก็แปลว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองไม่ผิดจากพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นไม่สวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มาดัดแปล อย่างคนบางคนดัดแปลงกันเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กินเจก็มากินเจกันสําหรับพระภิกษุพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระภิกษุอยู่แบบเลียงง่ายคือเขาให้อะไรมาก็รับไว้อย่าไปบอกเขาว่ากินอย่างนี้ไม่ได้กินอย่างนั้นไม่ได้เขาให้อะไรมานี้กินได้ทั้งนั้นถ้า สิ่งที่เขาให้มานี้ถ้าเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเราโดยตรงเช่นถ้าญาติโยมไปฆ่าไก่แล้วทํากับข้าวมาทาแกงไก่มาถวายพระแล้วบอกพระว่านี่ฆ่าไก่นี่เพื่อถวายพระคุณท่านถ้าพูดอย่างนี้ก็จะรับไม่ได้แต่ถ้าเขาฆ่าไก่เป็นปกติของเขาเช่นเขาทํากับข้าวกับปลา เขาก็ต้องไปยินนกตกปลาแล้วเขาก็แบ่งอาหารที่ก็ทำจากเนื้อสัตว์นี้มาถวายพระถ้าก็ททำอย่างนี้เรารับมาฉันได้ไม่ไม่ผิดไม่ได้ทำให้บาปไม่ได้ไม่ได้ขวางการเจริญทางมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไปบอกเขาหรือเขาตั้งใจทำมาเพื่อเราโดยตรงทำมาเพื่อพระโดยตรง แล้วบอกให้กับพระสราบพระก็ต้องปฏิเสธไม่สามารถรับเอาไว้ฉันได้นี่คือเรื่องของพระเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ฉันเนื้อสัตว์ถ้าตราบใดเนื้อสัตว์นั้นเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วและไม่ได้ถูกฆ่าเพื่อเพื่อพระพุทธเจ้าหรือเพื่อพร ะ, พระองค์อื่นโดยโตรงแต่เป็นปกติของเขา ชีวิตของเขาเขายังต้องอยู่กับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อการอยู่รอดของเขาอย่างนี้ไม่เป็นการเป็นบาปเป็นกรรมสำหรับผู้ที่รับอาหารมารับประทานแต่ถ้าเราไปบอกว่าเราต้องกินผักมังสวิรัตอย่างเดียวไม่ชัดเจน อย่างนี้เราก็จะไปสร้างความยากลำบากให้แก่ผู้ที่เขาอยากจะทำบุญให้ทานเขาก็เลยอาจจะไม่ไม่ได้ทำบุญให้ทานก็ได้ดังนั้นขอให้เราจงศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีเอาไว้ว่าท่านสอนให้เราทำอย่างไรท่านสอนให้พวกเราไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ท่านไม่ได้ห้ามให้พวกเราไม่ให้กินเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ที่ตายแล้วกินได้ไม่บาปแต่อย่างไรแต่เราอยากไปสั่งให้เขาฆ่าเท่านั้นเองหรือเราฆ่าด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ตายแล้วเราเอามาทาเป็นอาหารนี้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างไรนี่คือตัวอย่างของการปฏิบัติชอบ ป, ปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการเคร่งเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าฉันมังสวิรัตฉันเจก็ไม่ได้หมายความว่าทิเลสมันจะตายเร็วไปกว่าคนที่ไม่ได้ฉันเจไม่เกี่ยวกันไม่ต่างกันคนที่กินเจแล้วจะบรรลุธรรมก่อนเร็วกว่าคนที่ไม่กินเจนี้ไม่มีไม่ใช่เหตุคนที่จะบรรลุเร็วกว่ากันหรือไม่อยู่ที่ว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าต่างหากถ้าไม่ฆ่าคนนั้นก็จะบรรลุเร็วกว่า ถ้าค้าคนนั้นก็จะบรรลุช้ากว่าแต่ไม่ได้อยู่ที่การกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์จึงขอให้เราต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อเราจะได้ไม่มาเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นี่คือเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณที่พวกเราควรที่จะเจริญอยู่อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะเกิดศรัทธามากยิ่งขึ้นจะเกิดฉันทะเวรยะจิตักวิมังสาเพิ่มมากขึ้นไปทางลําดับจนในที่สุดเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวงได้หลุดพ้นกันอย่างแน่นอน อยู่ที่ศรัทธาของพวกเราอยู่ที่การเจริญ พ, พ, พระคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่องจึงขอฝากเรื่องของการมาวัาเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป